พระต้องลงปฏิโมกทุกทุกสิบห้าวันคำว่ า, าปฏิโมกก็คือสีลสองร้ข้อพระเจ้าบอกว่าพระต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมวิธีที่ไม่ให้ลืมก็มคือต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆแล้วทุกสองอาทิตย์ก็เรียนกันครั้งหนึ่งมีพารูปหนึ่งท่านก็จะม า, ามาท่องให้ฟังว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง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 ถ้าเป็นพูดออกไปก็ไม่มีใครรู้ อ, รอีกเป็นหรือไม่เป็นนอกจากผู้ที่ตาดีท่านั้นนอกจากพาาาระอรหันด้วยกันเท่านั้นที่ท่านจะดูออกว่าเป็นของจริงและของปลอม่อังนั้นสมัยนี้พาาาระอรหันท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่คนที่พูดออกมานี้ต้องต้องต้องเด็ดจริงๆย่า ง, งตานี่ท่านกล้าพูดเนี่ยรูปมนไม่มีใครพูดอะ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 วัเราจะรู้ว่าอยู่ทำขั้นไหนมันต้องคุยกันมองกันเฉยๆมันมองไม่เห็น1้อเเพอจะเห็นเห็นเห็นอยู่ว่ามีแววอยอู่คือการปฏิบัติการดำเ น, นินดำเ น, นินดำลงตนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถวัดความเป็นพระอริยะได้แต่มันไม่หมดเพราะว่าคนที่ไม่เป็นพระอริยะก็าสามารถที่จะ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 ท่านมองเมองเห็นทั้งร่างกายเห็นทั้งจิตใจพวกเรานี้เห็นแต่ร่างกายเห็นแต่กิริยาอาการซึ่งไปเจอผ้าอรหันท์ที่ท่านกิริยาการหยาบๆก็อาจจะไปคิดว่าท่านไม่เป็นก็ได้อย่างผ้าขี้ริ้วหอทองนี่กิริยาการของท่านข้างนอกนี่เหมือนผ้าขี้ริ้วแต่ใจท่านนี่เป็นทองทั้งทองทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งแท่งนี่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 ใช้คำค่อนข้างยาสับปะดนลวพ่อหลวงอู่เ ป, ปื่อยหลวงปู่เต้่าเปล่าจ ำ, จำชื่อไหมนะคนฟังเขาคิดว่าเป็นคำหยาบไปท่านพูดความจริงพูดของจริงพูดภาษาชาวบ้าน ของพวกนี้พวกเราจึงไม่มีวันที่จะรู้ได้ว่าตองไหนเป็นอะไรอย่างไัเพราะนัน้ต้องระวังเวลาที่เราเห็นพระเห็นครูบาอาจารย์เราอาจจะวาดภาพวาพระอรหันต์พระอริยะต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้พอมันเจอที่มันไม่ตรงกับสเปคของเรานี่เราก็อาจจะไปอประมาทท่านก็ได้ ไปประมาทท่านว่าเอ้ยท่านไมไ่เป็นอะไรหรอกแล้วก็คือถ้าเราไปประมาทเราก็เป็นคนขาดทุนเพราะเราก็จะไม่ศรัทธาไม่เชื่อเราก็จะไม่เข้าหาท่านเพราะเราไม่เข้าหาเราก็จะไม่ได้รับธรรมจากท่านเห็นั้นก็ต้องระมัดระวังบางคนถึงกับ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 คอยรับรองก็พอที่จะพูดได้นี่คือศีลของพระสี่ข้อแรกปาราชิกสแล้วก็ลองจากนั้นก็เขาเรียกว่าสังฆาดิเศษมีอยู่สิบสามข้อส3บสาข้อนี้ถ้าละเมิดก็ยังแก้ได้คือไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ต้องเขาเรียกว่าอยู่กรรมต้องมีการลงโทษ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 ก็ถือว่าได้ได้โปรงอาบัตทุกสิบห้าวันเนี่ยพระต้องเข้ารวมกันมาฟังมาทบทวนสสองอยี่2 2บเจ็ดข้อนี้มันญาตโยมทุกคนพระมาทบทวนสีล5ห้าสิ่แปดกันญาตโยมมาแค่ห้าข้อก็พออตก็ห้าข้อนี้ก็เท่าๆกับของพระเท่าๆกับปาาชิกะ ข้อของโยมนี้ข้อที่หนึ่งก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของภาคก็ฆ่าฆ่ามนุษย์เนี่ยข้อที่สองรักทรัพย์ของพระบารมีของพระก็ลักทรัพย์ข้อที่สามาการเาการประพฤติการตามประเพณีคือญาติโยมก็ยัง เสกกรมได้แต่ต้องเสบกับสามีกับภรรยาของตนถ้าเป็นพระ ก, ก็ห้ามเสกอันี้ข้อที่สี่ห้ามพูดปดของพระ ก, ก็ห้ามห้ามอวดควณวิเศษที่ไม่มีในตนก็คือการพูดปดเหมือนกันแต่ถ้าพูดปดธรรมดาไม่ถือว่าเป็นประราชิกเช่นพระโกหกนี้ไม่ได้เป็นประราชิก เป็นข้อที่ปลงได้ mm hmm. เช่นถามว่าคุณมาที่นี่หรือเปล่า mm hmm. ผมไม่ได้มาแต่ความจริงมาอย่างนี้ mm hmm. อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการพูดปลดธรรมดาแ mm hmm. ม้แต่การดื่มสุราของพระก็ไม่เป็นประชาชโปลงได้เหมือนกัน mm hmm. เป็นอาบัตไม่ไม่ไม่ร้ายแรงอาบัตร้ายแรงมีอยู่สี่ข้อ ส่วนสามค่าที่เศษมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเศษหรือการที่ประพฤตินตนนอแหลมต่อการเศษกรรมเช่นอยู่สองต่อสองในที่รับถูรับตากับสีกาอย่างนี้อย่างนี้ก็เขาก็จะถูกถูกตำหนิได้ว่ากำลังคุยเกี่ยวพาราสีกันทรือเปล่าเวลาอยู่กับสีกาท่านหนึ่งต้องมีหลายๆคน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 ให้มีทานศีลภาวนามีศีลสัมมาทิปัญญาบรรลุได้ทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเนี่ยคารวะหรือพระนี่เพราะผู้ที่บรรลุไม่ได้คารวาะหรือพระแต่ใจที่ถูกกิเลสกดกลียข่มเหงรังแกอยู่ทุกวันนี้ใจตัวนี้มันถูกกิเลสการปฏิบัติก็เพื่อฆ่ากิเลส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 ศีลจะต่างกันอย่างไรมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันโดยสนับสนุนการภาวนาถ้าศีลไม่บอยสุดการภาวนาก็จะล้มลุกคุกขันถ้าศีลบอยสุดมันก็จะทำให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเพราะถ้าเราไปทาผิดศีลมันก็มีปัญหาขึ้นมา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 ไม่มีกรูบาจารย์ไม่มีกฎระเบียบคอยควบคุมใจมันก็จะแตกกิเลสมันก็จะไปเพ่นพ่านมันไม่ก็ชอบชอบการภาวนาไม่ชอบเดินเจ้าพบหน้างน้ำ่างนี้เดี๋ยวมันก็คันไม้คันมือหาเรื่องนั้นทําเองนี้ทาแล้วก็ซ่อมกุติแล้วก็ต่อตามกุติแล้วก็ไปชักไปตัดจีวรมันมีอะไรจีปาถะให้ทําอย่างนี้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 สัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทานสิริสะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโธมรมวาทานติอายุวโนสุขังพลังอะไรวะยัง เอาเลยเ อ, เอาเต็มที่เลยแจกของแจกเอาไปอา่านเอาไปเลยเอาไปบูชาก็ยาวไปเอาไปอา่านจเอาไปเอาไปเอาเนะี่ยก็ให้พอแนละ้วไม่ใช่หรืออย่อางมีอะไรจะถามก็ถามได้เนาะ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 ดูอันนั้นตัววัดว่าดีแล้วไม่ดีอยู่ที่นี่ได้เดือนละกี่มืออยู่ที่ไหอยูาที่นั่นเลยเอาไปถ่ายเอาไว้ตรงนั้นดีกว่าถ้าอยากบอกเขาว่าอยู่ที่นี่ก็ใกล้กรุบายจานไมงไ้นก็เป็นแผ่นดินไทยมีใกล้พี่น้องเราไปยังได้พึงเสริมได้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 อะไรดูบะกคาต้าเลยอนนี้เป็นคูเวตตอนนี้เป็นแ่มีเหตุการณ์เยอรมันเขาก็รีบออกกฎเลยใช่ไหมวาการนกบินคนบินได้มันต้องมีคนเข้าไปอยู่ด้วยต้องมีคนผู้อยู่ด้วยสองคนสองคนก็อย่างว่านะไม่มีอะไรแน่นอน